เหตุจากไหอยู่รับกันบ่ไใดแล้วคนกีท่ทีคนใจใหญ่เป็นบมดละต่ำเขามากบ่อใดกับวานให้ไกลให้ไอ้คนมากขอกับขอให้ก็ะหายแบงให้คนทุกคนยากนี่ยหนึ่งเขาซุกแลยกับแบงให้หมูหมา ก, กาไก่กินน้าไอง่ายพกผู้เฒ่าก็เหตุมากจังเลยตั้งแต่ใดแต่ไรตั้งแต่ยังบอ่อท่านมีลูกสะใภ้ผู้เฒ่าก็เหตุจังจันไปป่าถ้ามีลูกสะใภ้มาถี่จะมาด จำกัดสิทธิมนุษยชนมันก็บไรแล้วมันบ่ละคนใจใ่ายกับคนขี่ทียมันบ่เขากันบรรยาเลยเนี่บาทานี่กัเขากันก็ บ, บรรยาบาลเนี่ยแม่ยากับลูกสะใภ้แต่แม่ยากับคนกับบวายนี่นว่าเพื่นเป็นผู้ใหญ่แต่ลูกสะใภ้ยนี่ตีเครียดเขาเครียดเขาเอาไปมากกดบวัดนท้นบรรยากับอกกับผัวเจ้าของเท่าไหร่นี่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 ผู้ผู้แฟนเปิดมนันเาไปเอาไปมากที่เฮ็ดอย่างไหนศาสนาสันเดยทังผู้ผัวถามที่เฮ็ดอย่างไหนยาไอ้ข่อยูอยอยนี่จะไปยากยั้งหมดเลยเนี่ยนะว่างแผนแบบข้าวเดียวเท่านั้นแล้วสะนะี่เฮ็ดอย่างไหนเนี่ยนะเสือมาอยู่นอกรอบบ้านนะี่ยเสือโคง้งมันหา ก, กินงวัวกินควายมันเสือหลายได้สมัยก่อนเข้าก็ทํางทาส้วนแม่ยาไป หาเก็บพักหาเก็บเนาะใหม่ใชกัไปหอดตีนผู้กับมัดอแม่ยามัดแม่ยาใช้ตน้นไหม่ใช่กันแล้วตัวสันเดียกันว่ามัดให้เสือกินจะ ก, กันแล้วตัวสันเดีทั้งผู้ชายทั้งแฟนพังโอแมนแมนว่าสันเดียบาราเนกนมือดีขึ้นดีมากกับแม่แม่ไปหาเก็บพั ก, นกนนเนาะวันไหนไปหาเก็บพักหวานไปหาเก็บเนาะไหม่ไปหาเก็บ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 หลังแอ็นแทแ้แล้วะไรกออไปเอาไปมากกับมัดตาไว้อีกพอมัดตาไวไปไป้บ้านนี่สองผัวเมียมกับเฝ้ากับบ้านโดยไ ป, ไปพุทธเอาก็ยืนอยู่หันแล้วกันไปพ่อยืนอยู่หันโตคํามาบ้านในเสือมาใจแล้วบระเดี๋ยเมาวเมากูมันเสือมันออกหากินเนี่ยจะมึงแกล้งเลยมันเทาก็ยืนอยู่หันแล้วกันไป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 หายท่องใส่ใส่ล้างเลยก็กูบอไปเดี๋ยวไปหาลูกไส้กับลูกสะใภ้กันไปอีกมันสิขากูอีกก็เสียแน่มันขากูขักขักก็เสียในเท่าอ่ะกูจะไปหายญาติผู้ไกลๆพุ่นล้วเสียแน่ก็มันอยู่น่ายุ่งก็จะไปพุ่นแล้วเราไปไปว่างซ้ำหมอศีธาตุของเราเราไปไปเห็นมันไกลๆแล้วเดี๋ยไปแต่จะมัดกินมัดอายคนน่ะบานน้าไปแล้วบานเนี่ยเท่าก็ไป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 บอกว่าย่าเนี่ยเนี่ยมาจากแถวโน้นนะมาจากอำเภอหน้ายง้งนะมาตั้งลักตัง้งฐานเนี่ยเนยมันขายท้องโอ้ลุย้ยสางบ้านสางเงื่อนื่อให้สือหน้ารุยได้เท่าเนี่ยเถันทางลูกสะพายกับลูกใช่เอ๊ะมแมนแม่เข้าผลเ้ยพนัวเดไปซองๆมึ ง, งหน้าเันเนีทางนี้ก็เลยดมดมมองมองไปบกาไปตรงตระว่าดมดมมองม่อ ง, อ ง, อ ง, องไปเออแมนอิหลว่าจเนี่ยแม่ของเข้าอิริว่าจลเนี่ แต่เมื่อสืบประวัติมันเป็นอย่างยังรุยนะ่ยเลยเขาก็าบอกให้ฟังว่าเอ่อเถาเนี่ยบอกว่าลูกมัดเถาไว้ในป่าพวกเถาก็เลยได้ให้เงินให้ท่องมากเขเลยกว่าเนี่ยมาตั้งฐานะอยูพี่วะทางลูกสะไพาบางขี่โลภอยู่แล้วเอ๊เป็นบ่อละคือขี่ขโลภอยู่แล้วนะไปโอ้ยอดทีหลักปนมาต้นใม่เท่าไหร่ที่เป็นต้นใหม่ลุย่ยปนมาต้นใหม่เทวดาเอาขอยไปมัดใส่แหนได้โดยข่อยเดี๋ยวเขาสิรุย่ยต้องกันพลบัวได้ เดี๋ยวห่อสีลวยน้ากันใช่ไหมทังผู้ผัวกับจากลวยอยู่แล้วเอาไปหมุบมับเออแมนอิลีเข้าคนวันไ้เอาไปมากก็เลยไปมัดชวนกันไปไปไปก็ไปหอดต้นไม้ต้นเก้าแล้วไปไปห่อเลยก็มัดแค่คือตัวเองมัดเซเมียราเดินไปมัดไผ่หลังแค่เด็เอาผ้ามัดตาไปบ้านที่ผู้ผัวกับก้าบบ้านแล้วนะพราะกลับบ้านพราะโต๊ะไก่ทำมากเสือมันก็ห้องเยาว์นะวามันออกหากินได้เสือยันตะดง เมาห่มมาบ่ ม, ามยางไปยางมาไม่ถือกินค้นมัอนกบปีเขาหลูกค้าเทียวดาก็หาไว้คือเก่านะว่ายานะเสื้อเดี๋ยวกูทดสอบมึงอีกก่อนขันว่าคนมีศีลมีถม้ำมึงกินบะไรนะ้ะข้นผมมีศีนมีนมถม้ำเออมีแต่ขีโลภขี่โกรธขี่ลงกูเห็นมึงกินโหลดสินะข้นชัวสินป่านนี้กิเทียวดาก็หาขนปีใกล้ป่านะว่า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 เนีมันถือว่าป่นมักพดมากโกงเขาได้เนี่นี่แหละคนชัวไปใส่ไผก็บรหัสถอนเอาไปที่บดาก็บรซอยเพราะนั้นพ้นว่าไห้ส่างคุณง่ามความดีไว้ได้ยับจะไปเห็นจะเป็นคนชัวก่นวะนี่แหละนีท่านเรื่องนี้สอนให้ว่าสอนให้คนเป็นคนดีเันเอาไปนี่ท่านในถ้ามบดก็มีด้นี่ยอย่างหลวงพ่อเคยเวา่าอพอแม่พอแม่ตายยังแต่พอพอแต่งเงินมาหลาน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 พอปู่เก็บใหยีงออกมาแบ่งกันอีกซะเพื่อจะได้ทํามาค้าขายเงินมันยังขาดขาดอยู่สินลูกสะใภ้มันเห็นเงินก่อนยังพอปู่ยังอยู่ได้ลาน น, นิดหน่อยไปขอเอกก่อนไปลูกชายไปขออกีกพวกขอหลูกพอก็เลยเอาให้พูละแสนพูละแสนไปยังยังอีกยังแสนแลงบาทนี่เอาไปมาลูกสะใภ้มันก็ยุให้ผัวขออกีกเอาขออีกพูได้เหมือนบาทนี่ พอละเมือนกันได้อีกคนเองชาก็ยังอยู่เมืองเดินเมืองอไปเออแต่สะขอพละพันอีกยังบูท่านหัวอันนี้วันหนึ่งเออบาท่านนี่ขอพลละลอยยังพูดท่านหัวหนึ่งไปยังเหลือเงินอยู่หน่อยเดียวกันเนี่ยผู้เทาก็อยู่เลียงชีพนั้นไปเอาไปมาไปอยู่กับลูกไผ่ผู้ใหญ่ลูกไผ่ผู้ใหญ่ก็บบ่อเด้บานเนี่พ่อปูน่ะ บาดาแบงมร ด, ด, ดกะดห้ท่อการมดบ้านละและ้วบุคุจักบ้านผู้อื่นมาอยู่แต่บ้านเฮ้าทางผู้ถอดอย่างนี้เลยก็คว้างหูเราลงไปก <c oughs> ูแสดงว่าเขาบุคุจให้กูโยนี่วันใ น, ใ น, นี้ไปหนีแล้วกูไปอยู่บ้านบักสองอีกคนหนึไปบักตีร่องเรามาไอเมียบักสองก็อยู่ดนดูดูไปแล้ปะปัดบเบาเฮียกคนหนึ่งไปโอ้บ่ได้ไปบักบ้านบักสามคนหนึนไป ไล่ลงมาจนหอดปักเก่าเนบ ป, ปักสุดไทยเมีย่ยมันก็นยังเบาคือเก่าเออกูบอกอยู่น้องหัวสูงเราแต่เนี่ยกูจะหากินด้วยด้วยตนเองกูหาขอกินหาขอท่านกินดีกว่าแต่เนี่าวะ่ะบ่าและดาวเทาก็เลยได้หม้อโล่ห้างน้วยนึงสิกลับไม่เท่าเลยหาขอกินอยู่แล้วบาดไปหาบ้านนั่นไปหาบ้านนี้ขอกินวันไปดำร่องฉีด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 ให้ก้าวค่าถาแบบนี้แบบนี้นะเอเวลาก้าวใส่ไม่เท่าเออแบบบอยยีละผู้ใดแล้ววะท่านาไปเออก้าวแบบเอแบบเด็ดเดียวเฮ็ดถึงสี่ได้บ่พราำ ม, มาว่าได้ครับเออเอาไปพระพุทธเจ้าก็สอนค่าถาให้แเราลงไปคาถาชุนทรพจศวันไปบานไปหอดออพ่อออกจากพระพุทธเจ้าก็ไปแล้วไปหอดบ้าน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 พระพุทธเจ้าสอนให้พามเป่าแบบนี้เด้ออะไพ่ามไปห่อแต่นี่แหละเวลาว่าเป็น้ายไม่ท่องพ่อมันอะไอเลี <c oughs> <c oughs> เ้ยงบุตรสุดที่จะลำบากไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจใหม่คุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้คำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ร้ายจะวัยหุ้น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 ตะ ก, กูน่ะเน้อเป็นตะ ก, กูลสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเลยอะน่อไปนี่แหละพระพุทธเจ้าพนวางอึกิเลสของคนเฮ้าเนี่ยกิเลสความโลภกิเเกลียกิเลสความโกรธความหลงเนี่ยมันปิดบังจิตใจของห้องนี่มืดม่นโอนต ก, การโมกุจักดีโมกโุจักชั่วมิตรโลภมิตรอยากอยากอยากเสี่ยงควรบุควรบุหูุจักเฮ้ยนาะนั่นเมือได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยฟังเฮยบุญยังสันนะขุดยัีนะโทษยังสันะสนะ